เวลาเราอยู่กับหมู่คณะนี่เราต้องมีการพัฒนาว่าอะไรควรทำเขาทำยังไงแล้วก็รู้จักตื่นดึกลุกชเช้าขยันขันแข็งมีการมีงานปาดัดกวาดเช็ดทูกทำาสะอาดร่วมกันเขาทำนู่นทขาดีทำถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันขนาดมาเป็นพระนี่ยังต้องทำนะเป็นพระก็ต้องทำต้องตื่นดึกต้องลุกเชา้าต้องพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นโยม เขาต้องทำเหมือนกันเพราะเป้าหมายของการฝึกจิตถ้าไม่เราไม่พัฒนามันก็มีปัญหามีปัญหาตรงที่ว่ามันอยู่กับคนอื่นยากพระก็อยู่กับพระยากโยมก็อยู่กับโยมยากอยู่กับหมู่คณะที่เขาหาให้เรากินทำให้เราทุกอย่างแล้วอยู่ๆเราก็เดินมากินเนี้ยจะเป็นเรื่องที่ยากยากที่จะอยู่ได้ เพราะอะไเพราะวะ่ามันไม่มีใครหรอกที่จะคิดไม่อยากให้เราดีกว่านั่นเนี่ยมันทุกคนก็ต้องมีดีเนี่ยนั้นวันวันหนึ่งมาอยู่ที่นี่ก็แต่ละคนก็พยายามอยู่แบบคนมีคุณภาพนะอยู่แบบมีคุณค่ามีคุณค่าต่อคนอื่นเขาก็เห็นว่ามีคุณค่าเหมือนแหวนเน่เขาก็จะสวมใส่แต่ถ้าเขามองไม่เห็นคุณค่าเลยเขาก็ถอดทิ้งนะ เป็นเหมือนกันนะอย่าว่าแต่พระเราด้วยกันเลยอนะ่ะแม้จะพระเราเองอยู่กับญาติโยมอยู่กับสังคมอยู่กับอะไรก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีประโยชน์กัขาเก็ไม่เลี้ยงเรานะแล้วเราบางทีเราทำอะไรเล็กๆ น, น้อยๆเราจะาคิดว่าเราทำเยอะเฮ้ยน่นกูก็ทาเยอะละอันนี้กูก็ทำเยอะละอะไรปรนะมาณเยอะนี่คนอื่นเขาตัดสินให้เราเราจะคิดว่าเราทำอย่าคิดว่าเราตัดสินตัวเองนะ คนอื่นติเตียนตัวเราเองได้หรือไม่ฟังดูดิรมที่เราประพฤติ ด, ดีแล้วนี่คนอื่นติเตียนเราได้ไหมถ้าเขายังติเตียนเราได้อยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่มีพัฒนาอนนั้นล่ะอันนี้ล่ะเนี่ยมันก็มีอย่างเดียวนะถ้าเราเป็นโยมก็กลับไปอยู่บ้านไม่มีใครว่าเราเราอยากกินตอนไหนก็ได้อยากนอนตอนไหนก็ได้อยากลุกตอนไหนก็ได้แล้วไม่อยากทาอะไรก็ได้ แต่ถ้าเราจะไม่ใส่อาหารการกินของเขายังอาศัยสถานที่อยู่ของเขาอย่าเรามาเป็นพระอย่างเงี้ยก็เหมือนกันนะมันก็จะมีกรอบของมันถ้าเราไม่รู้จักฝึกรู้จักฝืนเราก็ไม่เข้มแข็งนะใจมันไม่เข้มแข็งมันไม่มีการพัฒนาขึ้นมาเราก็ดูไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรเนาะคิดนึกไม่ออกนะ เอาไปพามาภายในก็ไม่ได้ภายนอกก็ไม่ได้ก็จะแย่แต้องฝึกข้างนอกก็ฝึกข้างในก็ฝึกเราไม่ได้ทําให้ใครดูนะนี่ปฏิบัติรำเนี่ยทำให้เห็นตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรเนี่ยงนั้นถ้าสมมติว่าความรู้สึก จริยามารยาทหรือพฤติกรรมพื้นฐานเนี่ยเราต้องสอนกันต้องดูด่าว่ากล่าวกันว่าคนนั้นทํำไมเป็นในงันคนนี้ทําไมอันเรื่องเก่าๆเนี่ยยังแก้ไขไม่ได้ยังให้เขาไปบอกอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเลยมันเบื่อหน่ายเพราะพื้นฐานเล็กๆในน้อยอย่าง น, นี้ก็แก้ไม่ได้อย่างเรามาปฏิบัติทําให้ความง่วงก็แก้ไม่เป็นโอ้ยจะให้ไปบอกเรื่องธรรมะลึกซึ้งไม่รู้จะบอกอะไรอ่ะต้องแก้เป็นอันเป็นอันไป ทำไมเราจึงจะเห็นทุกอย่างมันเป็นอนัตตาได้อันนี้บางทีทำอะไรน้อยหนึ่งจากมาเป็นข้ออ้างแล้ว น, นั่นทำ น, นั้นอันนี้พยามานี้หโมสิ่งที่มันอ้างอี่ยคือตัวตนแหละที่อยู่ข้างในใจเราเนี่ยลบมันให้ได้ทิ้งมันให้เป็นถ้าจะมาบัวบ้าตามกระแสอยู่ในอ้างนั้นอ้างนี่อยู่มันไม่ไปหน้ามาหลังปฏิบัติธรรมเนี่ย